นะโมตัสสะมัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนอบน้อมแด่พระผู <me>. ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลส สะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำผ้าไตยวรและผ้าและอุปกรณ์ทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชาณสถานที่พระศาสดาทรงธรรมยะมะกะปฏิหารทรงแสดง อ, อาเทอิทธิปฏิหาร แสดงอาเทศนาปฏิหารแสดงอนุสาสนีปฏิหารณสถานที่เหล่านี้ที่ภิกษุที่บริษัทของพระศาสดามาชมนมกันแล้วเป็นบริเวณ72โยชนและเหล่าเทวดาทั้งหลาย ในหมื่นจักรวาลมาประชุมกันแล้วณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำผ้าไตรจีวรถวายแด่พระศาสดาถวายแด่พระธรรมของพระศาสดาถวายแด่สาวกของพระศาสดาด้วยจิตที่เลื่อมใสยอย่างยิ่ง มาวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายสีของจีวรให้เป็นประธานเอาเสียงกลิ่นลดสัมผัสและรรมารมเป็นบริวารของสีของจีวรนี้ข้าพเจ้าทั้งหลา ย, ออายขอน้อมถวาย ด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นด้วยศรัทธาที่มั่นคงด้วยปัญญาที่เห็นคุณของพระ ร, รัตนตรยัยเห็นโทษของสังสารวัฏข้าพเจ้าน้อมถวายด้วยวัตถุทานนี้ซึ่งเป็นอมิสบูช า, เ, ชาเพื่อเกื้อหนุนธรรมบูชา คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาขอนำผ้าเหล่านี้ดอกไม้ของหอมเหล่านี้เป็นตัวแท น, นของผ้าและของหอมทั้งหลายที่มีอยู่ในจั ก, กรวาลทั้งสิ้นเพื่อนเพื่อ น, น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระบรมศาสดาข้าพระเจ้าขอนำเอาทรัพย์เหล่านั้นบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บำเพ็ญพระบรารมีสิบประการในอนันตกปับผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ตัสรู้ผ้าจีวรเหล่านี้เป็นตัวแทนของผ้าเปลือกไม้ ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าป่านผ้าแพผ้าขนสัตว์ผ้าทุกกุระและผ้าทิพนานาพันข้าพเจ้าขอเอาผ้าทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีความสำรวมด้วยหิริและโอตปะด้วยการถวายผ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดข้าพเจ้าขอบูชา ปณิธานครั้งแร ก, ข, แรกของพระพุทธองค์งที่ใครๆไม่พึงคิดด้วยสิ่งของทั้งปวงที่มีอยู่ในจักาารวาลทั้งสิ้ น, นบูชากา ร, ปร เ, ปเป็นบำเพ็ญบารมีศิปากา ร, ราาาอันสูงสุดขอบูชาสถานที่แสดงยมกปาปาิหารเหล่านี้นนด้วยการกระทำการส ก, การะบูชานี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายาามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์งงคในการอันควรด้วยเทินแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเง า, เ า, เงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตว์บุรุษผู้รู้ธรรมันประเสริฐ ม, ม, มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท้ำกลางกระยาณมตรและเป็นสมาธิฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมปังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัใจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายานตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพาน ในการอันควรด้วยเถินสาธุสาธุสาธุธานาปารัสัมปันโนธานา